สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาตนะครับพี่น้องครับเราอยู่ใน20กฎทองคำของศาสนาจารย์ด็อเตอร์ฟิลิปเทงและแปลโดยท่านศาสนาจารย์สุพิษวิจักโยถินนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎข้อที่8กดกฎแห่งการเป็นผู้นำในประเด็นที่3ครับพี่น้องครับประเด็นที่3นี้เป็นประเด็นที่ค่อนข้างน่าสนใจ ก่อนที่เราจะไปถึงเนื้อหานะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ได้ปรากฏอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่26ครับถ้าผู้ใดมาหาเราและไม่ชังบีดามานดาบุตรพัญญาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ ผู้ใดไม่ได้แบกกลางเขนของตนตามเรามาผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อมจะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่าจะมีพอสร้างให้สำเร็จได้หรือไม่เกรงว่าเมื่อลงรากแล้วจะกระทําให้สำเร็จไม่ได้คนทั้งปวงที่เห็นจะเริ่มเยาะเย้ยเขาว่าคนนี้ตั้งต้นก่อ แต่ทำให้สำเร็จไม่ได้หรือมีกษัตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทำสงครามกับกษัตริย์อื่นจะไม่ได้นั่งลงคิดดูก่อนหรือว่าที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั้นได้หรือไม่ถ้าสู้ไม่ได้เมื่อยังห่างกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกันก็เช่นนั้นแหละผู้ใดในพวกท่านที่ม่ได้สละสิ่งสารพัดที่ตนมีอยู่จะเป็นสาวก ของเราไม่ได้นั่นคือสิ่งที่ปรากฏอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะครับลูกาบทที่14ข้อที่26จนถึงข้อที่33ครับพี่น้องครับในหนังสือกฎทองคำ20ข้อนั้นได้เริ่มต้นอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะเป็นผู้นำประเด็นที่3นั้นก็คือเตรียมพร้อมจ่ายค่าทดแทนเตรียมพร้อมจ่ายค่าทดแทน ค่าทดแทนนั้นมีความหมายว่าจะต้องเตรียมตัวจ่ายราคาครับทุกอย่างนั้นมีราคาทั้งสิน้นถามว่าผู้นําราคาเท่าไหร่ครับจะต้องเสียค่าทดแทนหรือชดเชยเท่าไหร่ครับถ้าอยากจะเป็นผู้นําท่านศาสนาจารย์ดรฟิลิปเทงได้เขียนอย่างนี้ครับมารดาของบุตรเสบดีมาเฝ้าพระเยซูเจ้าทูลขอให้บุตรทั้งสอง นั่งในราชาัาจของโปรงเบื้องขวาคนหนึ่งเบื้องซ้ายคนหนึ่งเป็นผู้นำสูงสุดองพระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าที่ท่านทั้งสองขอนั้นท่านไม่เข้าใจด้วยซึ่งเราจะดื่มนั้นท่านจะดื่มได้หรือหมายความว่าท่านจะนั่งอยู่ทั้งเบื้องซ้ายเบื้องขวาตาแหน่งที่สูงสุดท่านเข้าใจถึงความหมายของเรื่องเหล่านี้หรือ ถ้าเข้าใจต้องเตรียมพร้อมที่จะดื่มถ้วยของเราคือจ่ายค่าทดแทนพี่น้องครับการที่เราจะเป็นผู้นํานั้นผู้นําต้องจ่ายราคาราคานี้เป็นราคาไรครับท่านศาสตราจารย์ด ร, รฟิลิปเทงนั้นเขียนต่อไปครับว่าเสื้อตัวหนึ่งส่วนที่ขาดและเปื่อยเร็วก็คือขอเสื้อเพราะถูกเสียดสีบ่อยๆ คนที่เป็นผู้นำต้องพร้อมที่จะถูกเสียดสีบ่อยๆนี่คือราคาเบื้องต้นครับต้องพร้อมที่จะถูกเสียดสีถูกวิพากวิจาร์ถูกประชดประชันถูกใส่ร้ายป้ายสีการจ่ายราคาค่าทดแทนถ้าไม่มีใจใจ่ายราคาค่าทดแทนก็เป็นผู้นำไม่ได้ทัศนคติของคนจีน คือผู้บังคับบัญชากองทหารที่ดีจะต้องเป็นผู้ที่ขี่มาคนแรกนํากองทัพออกรบไม่ใช่ให้ทหารไปออกรบก่อนแล้วตัวเองตามหลังไปผู้นํำที่แท้จริงเดินอยู่ข้างหน้าหากเราคิดว่าเราจะเป็นผู้นำํำนี่คือความจงรักภักดีที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ไม่ใช่ขอตำแหน่งูงสูงแท้จริงการเป็นผู้นานั้นก็ได้รับการ เตรียมจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นแผนการที่พระเจ้าจะตั้งใครเป็นผู้นำการที่เรานั้นได้รับการดนใจจากองค์พระผู้เป็นเจ้าได้รับมีความรู้สึกอยากถวายตัวให้เป็นผู้ที่ปฏิบัติพระเจ้าจะต้องยินดีจ่ายราคาครับยินดีจ่ายราคาจ่ายค่าทดแทนขอบคุณพระเจ้าที่มีบางคนเมื่อเป็นผู้นำเขารู้ว่าเขาต้องจ่ายราคา เขายินดีจ่ายครับคนประเภทนี้มีคุณสมบัติที่จะเป็นผู้นำได้นั่นคือสิ่งที่าศาสนาอาจารย์ดรฟิลิปเทงนั้นได้อธิบายความหมายของพระกัมพีตอนนี้ผมจะขออนุ ญ, ญาตต่อยอดครับพี่น้องครับการที่ใครจะเป็นผู้นำเขาจะต้องมีความถ่อมใจในเวลาเดียวกันเขาต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่ครับ เมื่อผู้นำทาผิดต้องพร้อมที่จะกลับใจใหม่และนี่คือคุณสมบัติประการแรกของการเป็นผู้นำครับสิ่งที่สำคัญที่เราพบในพระคัมภีร์ก่อนที่จะเป็นผู้นำนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีเสียก่อนก็คือว่าเป็นความอดทนเป็นความรู้ล่วงหน้าว่าการปผู้นำต้องจ่ายราคาครับพระคัมภีร์พูดชัดเจนครับบอกว่า ถ้าหากว่าใครคนหนึ่งคิดว่าตัวเองนั้นจะสร้างตึกหรือสร้างป้อมสิ่งที่สำคัญก็คือว่าต้องนั่งลงคิดราคาดูก่อนครับว่าเราจะสร้างแล้วสําเร็จมากน้อยขนาดไหนมันไปถึงจุดสุดท้ายได้หรือไม่ก็คือความสําเร็จของตึกหรือป้อมที่เรา ส, สร้างอยู่นั้นพี่น้องครับนั่นคือต้องนั่งลงคิดราคาดูก่อน การวางแผนยุทธศาสตร์สิ่งต่างที่จะขับเคลื่อนให้ไปถึงความสำเร็จครับนั่นคือการวางแผนนั่นคือการจ่ายราคาการที่เราจะเป็นผู้นำเช่นเดียวกันครับจะนำองค์กรไปถึงความสำเร็จแน่นอนครับต้องมีงานเข้าครับงานเข้านี้หมายถึงว่าคือการจ่ายราคานั่นเองการถูกเสียดสี การถูกประชดประชันการถูกใส่ร้ายป้ายสีเพราะเนื่องจากว่าเรานั้นที่เป็นผู้นำอยู่สูงครับผู้นำนั้นจะต้องไม่เป็นแบบผู้นำเอาตัวรอดนะครับปล่อยให้กองทัพปล่อยให้พลทหารตายแต่ว่าความจริงแล้วเขาจะต้องเป็นคนที่ตายก่อนพลทหารครับถามว่าทาไมต้องตายก่อนครับเพราะว่าเขาเป็นผู้นำครับเขาจะต้องเป็นคนแรกที่ขี่มาออกรบ และนำกองทัพเข้าสู่การรบรานั่นหมายความว่าเขาต้องมีฝีมือครับผู้นำที่ไม่มีฝีมือเป็นผู้นำที่ไม่สมควรเป็นผู้นำผู้นำที่เอาตัวรอดเป็นผู้นำที่ไม่สมควรจะเป็นผู้นำผู้นำนั้นจะต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดีหนักแน่นอดทนอดกลั้นรู้จักเซลฟ์คอนโทรลก็คือ บังคับตนผู้นำที่ต้องมีความเสียสละต้องมีความรับผิดชอบชั่วดีและเป็นที่ไว้วางใจได้ไม่หลบหนีใบเบียงเลี่ยงหลบต้องซื่อสัตย์อดทนขยันมีน้ำใจมีคนเขียนนี้ครับว่าสูตรมาตรฐานของความเป็นผู้นำที่ดีคือไม่ง่ไม่ชั่ว และไม่เฉยและสูตรความสำเร็จของการเป็นผู้นําที่ดีอดทนอดกลั้นมันเพียรเรียนรู้อยู่เพื่อองค์กรสอนคนทำงานสารสัมพันธ์ได้ครบพี่น้องครับการที่ใครคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนนั้นจะเป็นผู้นําเราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับพระเยซู บ, บอกว่ามาดูชีวิตของเรา เป็นสาวกของเรานั่นคือความเป็นผู้นำแท้ไม่มีใครในโลกนี้ที่จะดีพร้อมเหมือนพระเยซูแต่เราเองนั้นจะต้องไขว่คว้าไล่ล่าไล่ล่าคุณสมบัติที่ดีค h แรคเตอร์ที่ดีจากพระเยซูครับขอพระองค์ได้โปรดประทานให้กับเราในการที่เราจะไม่เป็นผู้นำที่ช่อฉนไม่เป็นผู้นำที่คดโกงไม่เป็นผู้นำที่หลอกใช้คนอื่น ไม่เป็นผู้นำที่มีจริยธรรมเสื่อมขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตานะครับคริสจักรของพระองค์เป็นคริสจักรที่พระเยซูได้ทรงสิ้นพระชนและได้มาด้วยเลือดเนื้อชีวิตของพระองค์ความเสียสละและความรักของพระองค์ทำให้คริสจักรของพระเจ้าดำรงอยู่ได้และคริสจักรนั้นมีผู้นาพระเจ้าได้ทรงแต่งตั้งแต่งตั้งผู้นา แต่หลายครั้งเราเองซึ่งเป็นผู้นำนั้นไม่ได้ทำให้พระองค์พอพัฒไถยของพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะเป็นผู้นาที่พระองค์ทรงพอพัไถยเป็นผู้นำที่ยอมจ่ายราคายอมจ่ายค่าทดแทนและรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเราจะไม่ท้อใจเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอาเมน